วันนี้ <c oughs> เป็นวันเสาร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่พวกเราลูกๆทั้งหลายจะได้มาน้อมลำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่และของพ่อ ผู้บังเกิดกล้าวผู้ให้กำเนิดกับพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนนี้ถ้าไม่มีแม่ไม่มีพ่อเราจะเกิดมาไม่ได้ดังนั้นบุญคุณของแม่และของพ่อนี้จึงเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองจากบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ปุณุณของพ่อของแม่นี้ให้ร่างกายเรามาเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายของเรานี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับตัวเราและกับผู้อื่นต่อไปถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะมาเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ มาทําอะไรต่างๆอย่างที่เรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีแม่ไม่มีพ่อให้กําเนิดกับเราเลียงดูเราให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาจนสามารถที่จะดูแลตัวเราเองได้เราก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรลำเลิกถึงพระคุณของแม่และของพ่ออยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมบุญคุณอันประเสริฐของท่านควรจะลำเลิกทุกวันเช่นเวลาที่เว <c oughs> ลาก่อนนอนเรากล่าบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็กล่าบพ่อกล่าบแม่ ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เช่นเดียวกันกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบพ่อกับแม่ไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่ที่ใดก็ไม่สําคัญสําคัญขอให้ท่านอยู่ในใจเราขอให้เราอย่าลืมท่าน<ม>การที่เรากระทําการกราบว่าทุกเช้าทุกเย็นนี้จะทําให้เราไม่ลืมพ่อหรือแม่ไม่ลืมบุญคุณอันประเสริฐของท่าน พอทุกครั้งที่เรากราบเราก็จะนึกถึงบุญคุณของท่านนึกถึงร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้มาจากพ่อจากแม่ถ้าเราไม่มีร่างกายนี้เราก็จะเป็นอะไรอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุญคุณของพ่อของแม่นี้ มากมายมหาศาลยากต่อการที่จะทดแทนบุญคุณให้หมดได้ดต่อให้เราแบกบพ่อแบกบแม่ไว้บนไหลของเราเลี้ยงดูท่านอย่างดีให้ท่านอุจจระปัสสวะลดตัวเราไปจนถึงวันตา ย, ยบุญคุณของพ่อของแม่ก็จะไม่มีวันหมดได้ นับภาษาอะไรกับการที่เราทำบุญการเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วคิดว่าทำกันยิ่งใหญ่ความจริงการทดแทนบุญคุณของเรานี่ยังไม่มากพอพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่นี้ให้หมดสิ้นไปเราต้องทำให้ท่านเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา ทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันขึ้นมาให้ท่านพ้นจากอบายพระโสดาบันนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วใจจะไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นอสุรกายไม่ไปนรกถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน อย่างที่พระเจ้าได้ทดแทนบุญคุณของพระพุทธมารดาซึ่งให้กําเนิดกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วหลังจากนั้นเจ็ดวันก็เสด็จสวรรคตไปเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่ได้เจริญเติบโตแล้วก็ได้ ออกบวชได้ตัดสรลโเป็นพระอาหารหันตตาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงลำลึกถึงพระคุณของพุทธมารดามีความปรารถนาที่อยากจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธมารดาเพราะถ้าไม่มีพระพุทธมารดานี้ก็จะไม่มีเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะยังไม่มีสัมมนาคโคดม จะไม่มีพระอาหารหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงใช้อภิญยาความสามารถพิเศษคืออิทธิฤทธิ์ที่มีดวงตาทิพที่สามารถเห็นกายทิพได้ทรงใช้อภิญยาความสามารถ ของกายทิพย์ของตาทิพย์หูทิพย์นี้ไปค้นหาพระพุทธมารดาที่เกิดอยู่ในโลกทิพย์ <Yes. S 1> จนได้พบกับพระพุทธมารดาแล้วก็ได้แสดงธรรมโปรดพุทธมารดา <Yes. S 1> อยู่ตลอดระยะเวลาหนึ่งพันสาคือสามเดือนด้วยกัน <Yes. S 1> จนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา yes. นี่แหละคือการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าต่อพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะอันประเสริฐให้แก่พุทธมารดาจนมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่มีการที่จะไปเกิดในอบายต่อไป ภพชาติของพระโสดาบันนี้มีอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากมถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆ<ม>อย่างช้าก็เจ็ดชาติ<ม>แต่ถ้าปฏิบัติได้เร็ว<ม>ก็อาจจะบรรลุได้เร็วกว่านั้นแต่ไม่เกินเจ็ดชาติที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่ไปเกิดต่ำกว่ามนุษย์คือไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน หรือไปตกนรกอีกต่อไปจะมีแต่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆและพระโสดาบันนี้สามารถที่จะปฏิพัฒธรรมได้ด้วยตนเองเพราะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นทางสู่พระนิพพานอย่างชัดเจนไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอนเพิ่มเติมก็ได้แต่ถ้ามีใครสอนก็จะช่วยให้การปฏิบัตินี้ ไปถึงพระนิพพานได้เร็วยิ่งขึ้นอ า, อาจจะเร็วกว่าเจ็ดชาติก็คืออาจจะสำเร็จในชาติเดียวเลยก็ได้ถ้ามีคูรู้มีพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนคอยแนะแนวทางไปนี่แหละคือการทดแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ของบิดาของมารดาและบิดาของแม่และของพ่อ คือถ้าเราจะเลี้ยงดูท่านอย่างดีขนาดไหนให้ท่านอยู่ดีกินดีเราก็ช่วยท่านได้ทางร่างกายเท่านั้นเองแต่ทางจิตใจนี้ถ้าไม่มีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาปให้มาสอนมาปฏิบัตินี้จิตใจของของแม่ก็ยังจะไม่สามารถที่จะหลุดออกจากอบายได้ ถ้ายังทำบาปอยู่ถ้ายังไม่มีความเชื่อในกฎแห่งกรรมอยู่<ม>ก็อาจจะยังทำบาปต่อไปแล้วก็จะต้องยังจะต้องไปรับผลของบาปต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วแต่ถ้าเราลึกหรือใครก็ตามสามารถสอนแม่ให้เห็น โทษของการกระทำบาปได้ให้เห็นว่าการกระทำบาปนี้เป็นเหตุที่จะพาให้ไปเกิดไนยบายําหลับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม่ถ้าเชื่อแล้วปฏิบัติตามคือละเว้นจากการกระทำบาปทั้งห้าข้อคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดืม่มสุายาเมาและของหมืนเมาถ้าทำได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยถึงแม้ว่าอาจจะต้องแลกกับชีวิตก็ยินดี<ม>คือยอมตายดีกว่าทำบาปเช่นพระโสดาบันและพระอริยบุคคลทุกระดับ ท่านเห็นกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนท่านเห็นว่าผู้ใดกระทำบาปแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจผู้ที่เป็นผู้กระทำเป็นผู้สั่งให้ร่างกายกระทำบาปนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้จะต้องไปรับผลของบุญและของบาปต่อไปจึงไม่ควรจะกระทำบาป พอทำบาปแล้วที่ไปของผู้กระทำบาปก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันที่ที่หนึ่งเรียกว่าเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป<ม>ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรตไปเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหวย<ม><ม>ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไป เป็นดวงวิญญาณที่หุ้มห่อด้วยความหวาดกลัวถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเกลียดชังตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เป็นนรกคือมีแต่ความเครียดแค้นความทุกข์ที่เกิดจากความเครียดแค้นเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาเป็น เป็นหัวใจที่นุ่มร้อนตลอดเวลานี่คือที่ไปถ้าได้กระทำบาปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจึงมีที่ไปอยู่สี่ที่ด้วยกันเพราะเหตุของการทำบาป ก, ก็มีอยู่สี่เหตุทำด้วยความหลงทำด้วยความโลภทำด้วยความกลัวทำด้วยความโกรธ นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าเชื่อถ้าทำแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ไม่ยกเว้นจะมาอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่รู้ก็ไปเป็นสัตว์ในิรานดรถ้าโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้ากลัวก็ไปเป็นนสุลกายถ้าโกรธก็ไปเป็นนรก นี่คือสิ่งที่พระอริยบุคคลทุกระดับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับใจของท่านเองเพราะใจของท่านนี่เป็นผู้กระทำบาปเองแล้วเวลากระทำบาปใจก็จะมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมีความทุกข์ต่างๆ ทุกเพราะความโลภทุกเพราะความกลัวทุกเพราะความหลงทุกเพราะความโกรธอันนี้คือสิ่งที่พระอริยบุคคลเช่นพระพุทธเจ้านี้ได้รู้ได้เห็นยึงได้ไปแสดงธรรมปรดพุทธมารดาให้ละการกระทำบาปไม่ให้กระทำบาปโดยเด็ดขาดแล้วก็ให้ทำแต่บุญทำแต่กุศล แล้วก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอแสดงธรรมสอนพุทธมารดาพุทธมารดาก็สามารถทำได้ในระดับแรกของพระอริยบุคคลอมีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม ไม่รู้ไม่ลังเลสงสัยว่ากรรมมีจริงแล้วไม่มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงหรือไม่บาปบุญนี้อยู่ในใจของเราเองและผลบาปของบุญก็คือก็อยู่ในใจของเราคือความสุขและความทุกข์ความเจริญและความเสือ่อมไม่ได้เกิดจากการไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ แต่เกิดจากการกระทาของเราเองนี่คือเรื่องของการทดแทนบุญคุณของมารดาและบิดาผู้มีพระคุณอันประเสริฐการเลี้ยงดูท่านไปจนวันตายนี้ยังไม่ถือว่าได้ทดแทนบุญคุณได้หมดการเลี้ยงดูก็เพียงแต่ดูแลร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยง ที่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดามแต่การดูแลจิตใจของท่านด้วยเช่นพาท่านไปทำบุญทำทานพาท่านไปรักษาศีลพาท่านไปฟังเทศฟังธรรมพาท่านไปปฏิบัติธรร ม, อ, มอันนี้ลหละจะเป็นวิธีที่ทดแทนบุญคุณได้มากกว่าการเลี้ยงดูทางร่างกาย ร่างกายนี้ก็เป็นเพียงเครื่องผู้รับใช้ใจเท่านั้นเองมีคุณมีประโยชน์ที่จะได้เอ า, เอาร่างกายนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้ยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลเพราะถ้าว่าไม่มีร่างกายของมนุษย์นี้ โอกาสที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนี้ย่อมเป็นไปได้ยากเพราะว่าผู้ที่จะมาสั่งสอนวิธีการปฏิบัติยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นนี้จะเป็นมนุษย์คือพระพุทธเจ้านี้จะมาเกิดเป็นมนุษย์และพาาาระอรหันตสาวกก็จะเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยเช่นถ้าเราได้มาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกมาอยู่ในวัดเราก็จะไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์เวลาที่มีการแสดงธรรมเพราะเราจะฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายแต่ถ้าเราได้ร่างกายของมนุษย์นี้ถือว่าเป็นร่างกายที่ประเสริฐ ก็เมื่อมีร่างกายของมนุษย์เราก็จะได้เข้าใจคําสั่งคําสอนธรรมะที่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์และพระอาลันตัสสาวกเป็นมนุษย์นี้มาเอยแผ่สั่งสอนเราก็จะเข้าใจความหมายของคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาลันตัสสาวกแล้วเราก็จะได้ ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้จิตใจของเรานี้สามารถก้าวขึ้นสูงได้กว่าในขณะที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ขณะนี้จิตใจของเราเป็นมนุษย์กัน แต่เราสามารถที่จะยกระดับความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นได้ด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลห้าศีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้เราลงต่ำถ้าเราไม่รักษาศีลห้าถึงแม้เราจะทำบุญด้วยกระตามถ้าเราทำบุญน้อยกว่าเราทำบาปบาปมีกําลังมากกว่าบุญที่เราทำ บาปก็จะดึงใจของเราให้ลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ ก, ก็คือให้เราไปเป็นเปรตเป็นนสูลกายเป็นนร ก, กหรือไปเป็นสัตว์เดเราฉาดังนั้นการที่เราจะยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นในเบื้องต้นเราก็ต้องปิดประตูของการลงต่ำของใจปิดการกระทำบาปทั้งปวงถ้าเราไม่กระทำบาปแล้ว ใจเราก็จะไม่ตกต่ำกว่าการเป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสูงพอเรารักษาศีลห้าแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสูงเราก็ต้องทำบุญทาทานทำความดีชนิดชนิดต่างๆเช่นการทดแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่นี้ก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่ง เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีกความกตัญญูกะตะเวทีนี้ก็คือการรู้คุณของผู้มีพระคุณและทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณกตัญญูแปลว่ารู้คุณกะตะเวทีแปลว่าทดแทนบุญคุณนี่คือคุณสมบัติของของคนดีถ้า ไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักการทดแทนบุญคุนนี้ก็แสดงว่าจะเป็นคนดีได้ยากแสดงว่าเป็นคนที่โง่เขลาคนที่ไม่รู้บุญรู้คุณของผู้มีพระคุณจะเจริญรุง่งเรืองขึ้นไปไม่ได้เพราะขนาดคนที่มีบุญคุณกับเราเรายัางทำบุญทดแทนบุญคุณกับท่านไม่ได้ แล้วเราจะไปทำบุญกับคนที่เขาไม่มีพระคุณกับเราได้อย่างไรางการที่เราจ ะ, จะเจริญเติบโตจเจริญนุ่งเรืองทางด้านจิตใจยกกระดาษจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพได้ีเราจําเป็นที่จะต้องมีความกตัญญูกตวเวทีเป็นพื้นฐานเราต้องรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณกับเรา อย่างมากลองจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองพ่อแม่ของเรานี้จะให้ร่างกายของเราส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะให้อารยะจะจะทำให้ใจของเราเป็นพระอริยบุคคลตอนนี้เราเป็นปุถุชนยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบาปมากกว่าทาบุญถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแต่เมื่อบุญและบาปที่ส่งให้ไปเกิดนั้นหมดกาลังลงเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาทุกกับการเกิดก็คือจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพัดพากจากกัน จากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักมีการพบปะกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนากันเราก็จะกลับมาทำบุญทำบาปกันใหม่แล้วตายไปก็ต้องไปรับผลบุญของบาปแล้วหลังจากผลบุญพ้นบาปแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี่คือลักษณะของใจของปุถุชนที่ยังติดอยู่ใน โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตก็คือในตายพบในกามพบในรูปพบและอรูปพบการมพบก็คือพบของผู้ที่เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพะคือการเสพกามคุณห้าถ้ายังชอบการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ก็จะต้องกลับมาเกิดในกามาพบ การมาพบก็พบของของมนุษย์ของเทวดาของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกนี่เรียกว่ากามาพบถ้ายังเสพกามอยู่ก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบอยู่เรื่อยๆถ้าเสพ ร, รูปประชาน mm hmm. ชอบนั่งสมาธิชอบหาความสุขจากความสงบจากการเข้าฌานเข้าขั้นรูปประชานก็จะไปเกิดในรูป รูปภพเป็นสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์รูปภพแล้วถ้าชอบเสพอรูปปัญญานั่งสมาธิแล้วสามารถทำใจให้สงบสู่ขั้นอรูปปชาญได้ก้าวสู่ความสุขอันละเอียดที่สุดตายไปก็จะไปเกิดเป็นอรูปภพอยู่สวรรค์ชั้นพรมแต่สวรรค์ชั้นพร นี้ก็เหมือนกับสวรรค์ชั้นเทพเมื่อกำลังของสมาธิหรือสตินี้อ่อนลงความอยากที่จะเสพลูกเสียงกิ่นลดก็ยังมีอยู่ในใจก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะดึงให้ใจนี้กลับลงมาเกิดในกามมาพบกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่พอกลับมาเกิดแล้วก็จะกลับไปก็จะระชอบหาความสุขจากการไปฝึกสมาธิ ไปเป็นนักบวชไม่ชอบมีครอบครัวชอบอยู่คนเดียวชอบหาความสงบจากความจากการฝึกสมาธิจากการเข้าฌานต่างๆนี่คือลักษณะของภพชาติหรือกระเนื้อตายภพที่ดวงวิ ญ, ญญาณที่เป็นปุถุชนนี้ยังจะติดข้องอยู่ยังต้องกลับมาเกิดไม่ว่าจะไปเป็น เทพเป็นพรหมพอบุญที่ส่งไปเป็นเทพเป็นพรหมนั้นหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไปเกิดนายบายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนสุลกายหรือไปนรกพอบาปที่ส่งไปหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะต้องมีพ่อมีแม่คนต้องมารอคิวให้มีพ่อมีแม่มาพบกัน มามาเป็นคู่คู่ครองกันแล้วถึงจะมาสร้างร่างกายอันใหม่ดัง<ม>นั้นถ้ายังไม่มีพ่อไม่มีแม่มาร่วมกันเป็นสามีภรรยากันนี่<ม>ก็ดวงวิญญาณก็ยังจะไม่สามารถที่จะได้ร่างกายของของมนุษยก็ต้องอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณไปทางพางก่อนจนกว่าจะมีร่างกาย ที่ผลิตจากพ่อจากแม่มาถึงจะได้มาเกิดได้ร่างกายของมนุษย์นี่ น, นี่นี่คือความสำคัญของพระคุณของบิดามารดาเพราะถ้าเราอยากจะออกจากไตรภพออกจากวัฏฏะวนวัฏฏะสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราจาเป็นที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กันเพราะมันภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัต มากกว่าพบของของเทวดาเทวดานี้อาจจะมีพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าบางรูปที่สามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้ถึงจะสอนเทวดาให้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ถ้ามีถ้าเป็นมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ทุกทุกพระองค์นี้เป็นมนุษย์กันทั้งนั้น ก็จะสั่งสอนให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ง่ายกว่าเพราะว่ามีมากมีจำนวนมากกว่ามีพระอาหารหันต์เป็นมนุษย์มีพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์กันและพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะสอนเทวดาได้นี้ก็มีจำนวนน้อยมากมีประมาณร้อยละห้าที่มีอภิญญามีตาทิพหูทิพ ที่สามารถที่จะติดต่อกับกายทิพสั่งสอนทำมาให้แก่พวกกายทิพได้ดังนั้น <c oughs> โอกาสของการที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ดีเท่ากับการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> อันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องเห็นว่าบุญทุนของพ่อของแม่นี้ มีคุณค่าอย่างมหาศาลเพราะพ่อแม่นี้จะให้ร่างกายมนุษย์ให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายของมนุษย์นี้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมอย่างตอนนี้ท่านทั้งหลายก็เป็นมนุษย์กันท่านก็ได้ได้มาฟังฟังเทศฟังธรรมที่เป็นภาษาของมนุษย์ส่วนพวกนกพวกแมวพวกสุนัข ถึงแม้จะมาอยู่ในวันนี้ด้วยกันก็ตามแต่พวกนี้เขาจะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ใจของเขาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้เลยแต่การที่เรามีร่างกายของมนุษย์และสามารถที่จะใช้ร่างกายนี้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมให้เรายกระดับจิตใจของเรา ขึ้นจากปุถุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลได้นี้จึงเป็นสิ่งที่วิเศษมีคุณค่ามหาศาลต่อจิตใจของพวกเราเรานี่แหละคือบุญคุณของพ่อของแม่สำคัญที่ตรงนี้สำคัญตรงที่ให้ร่างกายของเราให้ร่างกายของมนุษย์เช่นถ้าเราไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เรามาได้ร่างกายของสัตว์เนราชา ถึงแม้เราจะมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่สัตว์เดรัชานนี้ก็จะไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมไม่สามารถนำธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ <c oughs> เพื่อให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเยียนว่ายตายเกิดได้เลยอันนี้แหละขอให้เราคำนึงถึงพระคุณของบิดามารดาของพวกเราว่าถ้าไม่มีท่านนี้เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ และเมื่อเร า, มาไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่เราจะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะไม่มีเลยแล้วมีมีน้อยมากมีมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์นี่มีโอกาส95เอร์เซ็นต์ส่วนการเป็นเทวดานี้ก็มีโอกาสเพียง5เอร์เซ็นเท่านั้นเอง พอมีพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ที่มีต า, ตาทิพย์ผู้ ท, ที่สามารถสั่งสอนเทวดาได้นี่มีเพียง 5% าเปเนต์ท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะลำดักถึงพระคุณของบิดามารดาและเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ควรที่จะ <c oughs> คอยรับใช้ท่านคอยช่วยเหลือท่านถ้าท่านโปดอยากขาดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือ เราก็ต้องเป็นผู้ที่มารับหน้าที่เหมือนกับตอนที่เราเป็นลูกตอนที่เรายังช่วยเหลือตัวเราเองไม่ได้พ่อแม่ก็รับหน้าที่เลี้ยงดูเราดูแลเราให้เราได้เจริญเติบโตขึ้นมาให้เราสามารถ <c oughs> มีอะไรต่างๆที่เรามีได้ในวันนี้ถ้าไม่ได้รับความเมตตาความรักความปารถนาดีจากพ่อแม่ เลียงดูเรามานี้เราจะไม่มีวันนี้กันเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงบุญคุณของพ่อของแม่และพยายามที่จะทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ทั้งด้านร่างกายก็ดูแลให้ท่านอยู่มีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์มีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่ <c oughs> มมีมีอาหารมียารักษาโรค ไว้ดูแลร่างกายส่วนด้านทางด้านจิตใจถ้าถ้าชวนท่านไปวัดได้ชวนท่านไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมได้ชวนท่านทำบุญทำทานได้ชวนท่านรักษาศีลได้ชวนท่านภาวนาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราชวนไม่ได้ท่านยังไม่มีบารมีพอเราก็ต้องทำใจ ทำใจว่าบุญบา ร, รมีของท่านนี้ยังมีไม่พอยังไม่สามารถทำให้ท่านมีเห็นเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธของพระพุทธเจ้าได้ mm. ก็ถ้าท่านไม่สามารถไม่ฟังเทศฟังธรรมก็ลองชวนทำบุญทำทานดู mm. ใส่บาตรหรือไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆที่เรา ชอบทำจะทำที่วัดก็ได้ทำที่โรงพยาบาลก็ได้ทำที่โรงเรียนก็ได้ทำที่สถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้อย่างน้อยก็ขอให้ได้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ได้ก็ยังดีก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่จะไปเกิดในอบายให้น้อยลงไปแล้วก็โอกาสที่จะได้ไปเกิดในสวรรค์ก็จะได้มีมากขึ้น แต่ถ้าท่านไม่สนใจอันนี้ชวนแล้วพาไปแล้วท่านก็ไม่ไปหรือไปแล้วท่านก็ไม่อยากจะไปอีกอก็ต้องทำใจว่ามันเป็นเรื่องของบุญบา ร, รมีของท่านยังไม่ถึงปัญญาบา ร, รมียังไม่ถึงยังไม่มีปัญญาสามารถเห็นคุณค่าของการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดูแลในส่วนที่ดูแลได้ไปส่วนของส่วนที่เราดูแลไม่ได้ก็คือจิตใจเราก็ต้องยอมดูแลส่วนทางร่างกายไปดูแลให้ท่านอยู่อยู่ดีกินดีไปตามอัตภาพของเราตามกําลังของเราอย่าง เราไม่ควรอยู่ดีกินดีกว่าพ่อกับแม่ของเราไม่ใช่เราอยู่ดีกินดีแล้วปล่อยให้พ่อแม่อยู่แบบอดอยากขาดแคลนพ่อแม่เวลาเลี้ยงดูเราพ่อแม่ก็ยอมอดอยากขาดแคลนเพื่อให้ลูกๆอยู่ดีกินดีกันพ่อแม่ยอมอดเพื่อไม่ให้ลูกอดีน้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทําหน้าที่สลับกันเป็นเหมือนเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่พ่อแม่เป็นเหมือนลูกเราก็ต้อง ให้ท่านอยู่ดีกินดีกว่าเราถ้าเราต้องอดเราก็ยอมอดอดเพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่ดีกินดีไปอย่างนี่เป็นการกระทำที่เรียกว่าบุญเป็นกุศลเป็นการทำบุญทำทานจะยกระดับจิตใจของผู้ที่มีความกตัญญูกตวเวทีนี้ให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่ามนุษย์ได้ก็คือให้ไปเป็นเทพได้เพราะเป็นการกระทา ด้วยความเมตตากรุณานั้นเองด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความสงสารไม่อยากให้พ่อแม่อยู่แบบทุกข์ยากลาบากอยากจะให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขอย่างสบายตัวเราเองทุกบ้างอดบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้พ่อแม่มีความสุขการทำบุญกับพ่อกับแม่นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นเหมือนกับทำบุญกับพระอรหันต์ ได้บุญมากได้กุศลมากกว่าทำบุญกับผู้อ่นงั้นก่อนที่เราจะไปทำบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้านเราต้องอย่าลืมพระอาหารหันต์ในบ้านของเราก่อนเราต้องเลี้ยงดูพระอาหารหันต์ของในบ้านของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายก่อนแล้วเราค่อยไปหาพระอาหารหันต์นอกบ้านต่อไปสาเหตุที่เรายังต้องไปหาพระอาหารหันต์ที่นอกบ้านอยู่ก็คือ เวลาที่เราได้ไปทาบุญกับพาาาระอรหันต์นอกบ้านเราก็จะได้มีโอกาสได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของท่านเพราะว่า <c oughs> การที่เราจะต้องการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้นี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำเองได้โดยที่ไม่มีใครสั่งใครสอนพราะวิธีการของการดับทุกข์นี้เป็นวิธีการที่ ไม่มีไทยในโลกนี้นอกจากพาาาระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าที่จะรู้วิธีที่ถูกต้องได้เท่านั้นเองนี่คือสาเหตุที่เรายัางจะต้องออกไปทำบุญกับพาาาระอรหันต์นอกบ้านอยู่แต่เบื้องต้นเราต้องทำบุญกับพาาาระอรหันต์ในบ้านของเราก่อนอย่าให้พาาาระอรหันต์ในบ้านของเรานี้อยู่ทุกข์ยากลำบากกว่าเรา เราต้องทุกยากลำบากกับพระอาหารในบ้านของเราเราต้องให้ท่านอยู่ดีกินดีกับเราถ้าถ้าเราต้องเลือกระหว่างเรากับกับพ่อกับแม่เราต้องเลือกพ่อแม่ให้เขาอยู่ดีกินดีกับเราเราอดเรายามอดมือกินมือไปเพื่อที่ให้พ่อแม่ได้อยู่อย่างสุขสบายไปเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กท่านก็ทำอย่างนี้กับเราเราอาจจะไม่รู้กันว่าบางครั้งพ่อแม่อาจจะต้องอดมือกินมือ เพื่อให้เรามีอาหารกินทุกทุกวันทุกมือ้อ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ขอให้เราพยายามนนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่เป็นคนอักตันยูคือคนปราศจากความสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ร้าย <Yeah. S 1> ดีไม่ดีถ้าไม่คอยนำนึกถึงพระคุณ <Yeah. S 1> ก็อาจจะเกิดเป็นเนรคุณขึ้นมาก็ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าใจของเรานี้มันเป็นใจที่ บางครั้งมันก็พลิกไปพลิกมาถ้าเกิดใจมันมีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมามีความโกรธขึ้นมามก็อาจจะพังเถอหรือลูกแก่โทสะถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเรามีความสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่อยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลาพยายามสำนึกถึงบุญคุณของท่านอยู่เรื่อยๆนี้เวลาที่เราเกิดความโกรธขึ้นมา เราก็จะมีอะไรมาคอยยับยัง้งมีความสำ น, นึกในบุญคุณมายับยั้งไม่ให้เราไปกระทำในสิ่งที่เราไม่ควรกระทำอย่างยิ่งคือการเมลคุณพ่อแม่เพราะการฆ่าพ่อฆ่าแม่นนี้ถือว่าเป็นกรรมที่หนักที่สุดเท่าๆกับการที่ฆ่าพาาาระอรหันต์กรรมหนักในพระมุธศาสนานี้ที่เรียกว่านันตฤย ก, กรรมนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกัน อที่หนึ่งก็คือค่าพ่อข้อที่สองฆ่าแม่ข้อที่สามฆ่าพาาาระอรหันต์ข้อที่สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและข้อที่ห้าทำให้สงเกิดการแตกแยกขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุดในพระพุทธศาสนาดัานเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งอย่าอย่าไปทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง แล้วต้องไปรับผลกรรมที่หนักอย่างยิ่งด้วยต้องพยายามมันนึกระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่อยู่ทุกวันอย่างน้อยก็วันละเช้าวันละสองครั้งก็ยังดีเช้าเช้าตื่นขึ้นมาก็ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ด้วยการกราบไปน้ลำเลืกถึงไปสวดบทอ e ิติปิโสไป พรพุทธธรรมพระสงฆ์ส่วนบวชพระุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเราเล่าถึงพ่อคุณของพ่อของแม่ว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีเราโตเราอยู่มาได้ทุกวันนี้มีอะไรทุกอย่างที่เรามีอยู่ได้ในนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พ่อแม่ให้กําเนิดกับเราแล้่เลี้ยงดูเราคิดดูสิถ้าพ่อแม่ถ้าแม่ตั้งท้องขึ้นมาแล้วแล้วแม่ไม่อยากจะ เลี้งลูกแม่ก็เอาเอาไปทําแท้งอย่างนี้เราก็จะไม่มีวันได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้เราตายในท้องแม่นี่ยปาา ท, ที่เราจะไดม้มามีร่างกายมาเกิดในท้องแม่อีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่หรเพราะคิวที่รอการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็คงจะยาวมากดังที่มีคําสอนไว้ว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นท้องยากพอๆกับ การที่มาเกิดของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งก็เป็นของาอยากังนั้นการที่เราได้ร่างกายเป็นของมนุษย์นี้ต้องถือว่าเราได้ของที่วิเศษของที่ประเสริฐเพราะว่าถ้าไม่มีร่างกายของมนุษย์นี้เราจะไม่สามารถที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิด น, นี้ได้เลยกองทุก แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ขณะ น, นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราจะนับถึงภพชาติที่เราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วนี้ท่านบอกว่ามันมากมายจนนับไม่ได้จะนับจะประมาณได้ก็คือจากน้ําตาที่เราหลั่งแต่ละภพแต่ละชาติทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจ มีความร้องห่มร้องไห้มีการร้องห่มร้องไห้กันมีหลังน้ําตากันพระพุทธเจ้าบอกว่าชาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติของมนุษย์นี้มารวมกันเนี่ยมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสียอีกนั่ะนนคือจํานวนของพบชาติที่เราได้มาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเกิด ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ร่างกายได้ร่างกายของมนุษย์จากพ่อของแม่ที่เป็นมนุษย์ของเรานี้แล้วเมื่อเราได้ร่างกายของมนุษย์แล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรอหรือหาโอกาสให้พบให้ได้ก็คือการปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันยากน า, นานจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้สักครั้งหนึ่ง เป็นระยะเวลาก็ยาวนานจนไม่สามารถที่จะเขียนได้ด้วยตัวเลขท่านหบอเป็นกลับเป็นกันวิธีที่จะนึกถึงเวลาเป็นกลับเป็นการท่านบอกว่าถ้าทุกร้อยปีนี้มีคนเอาผ้ามาลูบภูเขาหิมาลัยหนึ่งครั้งทุกทุ ก, ท, กทุกร้อยปีก็มาลูปเอาผ้ามาลูบภูเขาหิมาลัยหนึ่งครั้งเนี่ยให้ลูบไปจนกว่าภูเขาหิมาลัยจะสึกหายไปลาบหายไป อันนั้นหละเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งกันแล ะ, ะระยะเวลาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาเกิดมาตัสงรู้ในโลกมนุษย์นี้ก็ไม่ใช่หนึ่งกันหลายการด้วยกันหลายกลับหลายกันด้ว ย, ยกันดัง น, นั้นโอกาสที่เราจะได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันยากสนยากคือการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของที่ยากเยน็นแล้วนอกจากนั้นการที่ มาเกิดของพระพุทธเจ้ามาเกิดของพระพุทธศาสนาก็เป็นของที่ยากเย็นยิ่งกว่าเสอีกแต่ถ้าเราพบไหนชาติไหนเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในเวลาเดียวกันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐ ข, ของพวกเราการมาเกิดครั้งนี้ของพวกเราทุกคนนี้เป็นถือว่าเหมือนกับได้ถูกวอตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยทีเดียวคิดดูใช่ว่า ทุกครั้งที่เราซื้อรถเตรี่นี่ลราคิดว่าเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งกันไหมเราก็รู้ว่าโอกาสที่จะถูกรถเตรี่รางวัลที่หนึ่งนี้มันยากแสนยากชั้นใดการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา<ม>ถึงแม้จะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ไม่เป็นปัญหาอะไร<ม>เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่าถึงแม้พระองค์จะจากพวกเราไป<ม>แต่พระองค์ทรงจากเพียงแต่เพียงแต่ร่างกายไป แต่ตัวพระพุทธเจ้าจริงๆนี้ไม่ได้จากพวกเราไปตัวของพระเจ้านี้ก็อยู่ในคําสอนนี่เองคาสอนที่มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกว่าทำวินัยที่เราตัดไว้ชอบแล้วที่สอนพวกพวกเธอไว้แล้วนี้เป็นธรรที่จะเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา ฉั้ตอนนี้เราก็ยังถือว่าเราเหมือนกับมียังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราอยู่อยู่ผ่านทางพระไตรปิฎกนี่เอถ้าเราอยากจะฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเราก็ไปศึกษาพระธรรมคําสอนที่มีอยู่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือถ้าเรามีโอกาสได้พบ ก, กับพระอริยสงฆ์สาวกจะเป็นพระระดับไหนก็ได้ท่านก็จะเป็นผู้ที่จะสามารถสอนธรรมะให้เราเห็นทางสู่ กาหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเรายังถือว่าเรายังมีพระพุทธเจ้ามีผู้ที่จะเป็นศาสดาผู้ที่จะเผยแผ่ผู้ที่จะนำพาให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งนี่คือโชคคาลของพวกเราที่เราได้มาพบกันได้ได้มารับกันในพบีิชาตินี้ ได้ร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นพรกกุลของบิดามารดาและได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะมาสอนให้พวกเรานี้ได้ยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นจากการเป็นจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทพและจากเทพให้ไปเป็นพรหม แล้วจากพรมก็ให้ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคาพระอนาคาพระอรหันต์พอถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็จะถึงพระนิพพานคือได้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาพระสกิดาคาพระอนาคานาอนาคานานี้ยังต้องกลับมาเกิดอยู่อีก เช่นถ้าเป็นพระโสดาบันก็ยังต้องกลับมาเกิดในการมากามาพอีกไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นพระสกิรดาคามีก็จะกลับมาเกิดในกามาพบอีกชาติเดียวถ้าถ้าเป็นขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาพไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเทวดาไม่ต้องเป็นสัตว์เนราฉานแต่ยังไปติดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรม จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะปฏิบัติในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมไปพระนิพพานไปเป็นพระอรหันต์ต่อไปตามลำดับนี่นี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้มาศึกษาได้ปฏิบัติแล้ ว, น, วนี่คือวิธีการที่จะยกระดับจิตของเราให้หลุดออกจากกองทุกข แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ทั้นที่หนึ่งท่านสอนให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงละการกระทําบาปเพื่อปิดประตูบายเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้จิตใจเราลงต่ํากว่าการเป็นมนุษย์ถ้าเรายังทําบาปอยู่นี่โอกาสที่ใจเราจะลงต่ํำก็ยังมีอยู่เมื่อลงต่ําแล้วมันก็จะต้องเสียเวลามากกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกนั้นเราต้องการขึ้นสูง เราต้องการขึ้นไปเป็นเทพขึ้นไปเป็นพรหมขึ้นไปเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นไปไปพระนิพพานเราต้องเบื้องต้นต้องปิดประตูของการลงต่ําของจิตใจคือลงลงไปในอาบายประตูของอาบายนี้ปิดได้ด้วยการรักษาศีลด้วยการละเว้นการเสกอาบา ย, ยามุกละเว้นการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดประเพณี พูดปดเดินสุรายาเมาซึ่งเป็นอบายมุขและและเว้นการเล่นการพนันละเว้นการเที่ยวเตะละเว้นการความเกลียดค้านละเว้นการครบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรนี่คือ น, นี่คือวิธีการปิดประตูอบายถ้าเราสามารถทาละเว้นการทำบาปได้ละเว้นการเสกอบายมุขได้เวลาตายใจเราตายไปยใจเราจะไม่ลงไปต่า ยังเป็นมนุษย์อยู่ตายไปแล้วก็จะมีโอกาสได้กลับมาเราเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้แต่ถ้าเราอยากจะออกจากกามาพบไปนี้เอาไปสู่พระนิพพานนี้เราก็ต้องยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นซึ่งเป็นที่มาของคําสอนข้อที่สองของพระพุทธเจ้าคือให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อแรกท่านสอนให้เราละการการะทําบาปทั้งปวง เพื่อปิดประตูบายข้อที่สองเขอสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมคือมันทําบุญทํากุศลบุญก็คือการกระทําความดีแปลง่ายๆก็คือการกระทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้ถือว่าเป็นการทําบุญเช่นเราทําให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการให้ของที่เขาเดือดร้อนขาดแคลน เช่นเราไปใส่บาตรพระอางนี้พระท่านไม่มีอาหารรับประทานเราก็ใส่อาหารให้ท่านรับประทานนี่เราทำทำคุณงามความดีทําประโยชน์ทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นการทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นการ ก, า ร, กระทําบุญการกระทําโทษทําความเสียหายทําความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทําบาปเราอยา่าไปกระทําบาปอย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาทุกข์ เดือดร้อนจากการกระทาของเราเกิดความเสียหายจากการกระทาของเราให้เราทำแต่คุณแต่ทำประโยชน์กับผู้ด้วยวิธีการต่างๆทาบุญกับศาสนาเพราะเราเห็นว่าศาสนาเป็นของมีค่าเราต้องสนับสนุนทานุบารุงส่วนใหญ่เราก็จะทำบุญกับศาสนาก่อนก็คือ ทำบุญกับวัดทำบุญกับพระพระสงฆ์องค์เจ้าให้วัดเจริญให้มีพระสงฆ์มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุ ธ, ธรรมเพราะที่จะได้เป็นผู้นำผู้สอนให้เราได้ได้ปฏิบัติได้บรรลุ ธ, ธรรมตามท่านต่อไป mm hmm. เมื่อเราดูแลพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไปดูแลที่อื่นต่อไปก็ได้ mm hmm. เบื้องต้นก็ดูแลบิดามารดาของเราก่อน mm hmm. ดูแลพระอาหารหันต์ดู ในบ้านก่อนแล้วค่อยออกมาดูแลผ้าหลานนอกบ้านจากศาสนาเราอยากจะไปทําบุญที่อื่นต่อก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนทําบุญกับผู้ยากไร้ทําบุญกับสัตว์จรจัดไปถ่าชีวิตของวัวควายก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นการทําบุญเป็นการย ก, กระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพ การกระเหล่านี้เราเรียกว่าฐานหรือบุญกุศลทําแล้วจะทําให้ใจเราสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทพแล้วพอเราได้เป็นเทพแล้วเราก็สามารถที่จะยกระดับให้สูงขึ้นจากเทพให้เป็นไปเป็นพรหมได้การจะไปเป็นพรหมนี้เราก็ต้องไปถือศีลของนักบวชคือถือศีล8ดขึ้นไปศีล8ศีลสิศีล2องเพราะการจะไปเป็นพรหมนี้จะต้องออกจากกาบมาพบก่อน ออกจากภพของเทวดาที่เสกกรรมถึงจะออกได้ก็ต้องละเว้นการเสกกรรมการถือศีลแปดถือศีลของนักบวชนี้ก็คือเป็นการห้ามไม่ให้ไปเสกรูกเสียงกิริยนั่นเองศีลแปจะห้ามไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใคร น, นี่เรียกว่าเป็นการละเว้นการเสกกรรมเพราะเราต้องการที่จะยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นเมื่อเราถือศีลแป ได้เราก็จะมีเวลาเอามาให้กับการสร้างความสงบคือฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้รวมเป็นสมาธิให้นิ่งสงบเป็นฌานขึ้นมาเป็นรูปฌานนะเป็นอรูปฌานขึ้นมาพอใจสงบนิ่งเป็นรูปฌานเราก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกามของรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทาให้เราละการเสดกามได้ เราก็จะออกจากการมาพบได้แต่เป็นการออกแบบชั่วคราวเพราะว่าเป็นการเป็นการใช้สติที่ไปคอยกดความอยากต่างๆความอยากจะเสื่อมรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ทำงานเวลาเราจเจริญสติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ใจเราจะไปคิดถึงเรื่องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพะไม่ได้เมื่อมันไม่ไม่คิดมันมันก็ไม่มีความอยาก พอไม่มีความอยากใจก็เนื่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราไม่ควบคุมใจเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงเรื่องของลูกเสียงกลิ่นรสได้มันก็ยังจะสามารถดึงใจให้ลงต่ำได้ถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้ใจลงต่ำให้ขึ้นสูงให้ให้ขึ้นสู ง, ใ ห, ใ, หสงให้ออกจากระดับรูปประภมหรือรูปประภมก็คือเข้าสู่ระดับของพระอริยเจ้าเราก็ต้อง ทำขั้นต่อไปก็คือการเจริญปัญญากําจัดความอยากต่างๆความอยากที่จะเสดลูกเสียงกิ่นลดให้มันหมดไปทุกครั้งที่มีความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสุขที่ได้จากกรรการเสดกรรมนี้เป็นสุขแบบชั่วคราวเป็นอนิจจังเวลามันเสื่อมก็จะทําให้ทุกข์เวลาเราสูญเสียคนที่เราลากไปนี่มันก็ทําให้เราเศร้า เพราะคนที่เรารักนี้เขาให้ความสุขกับเราทางตาหูจามูกมินการแต่เขาเป็นของที่ไม่แน่นอนเขาเกิดขึ้นได้เขาตั้งอยู่ได้แล้ว เ, เดี๋ยวเขาก็จากเราไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์มาเศร้าแล้วไม่อยากจะกลับไปลงต่ํา์ลงกลับไปกรรมมาพบอีกต่อไปเราก็ต้องมองให้เห็นว่าการรมนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทุกข์เพราะมันเป็นของไม่แน่นอน เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้มันแน่นอนไม่ได้ให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มาทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มวนเป็นอนิจจังเป็นของที่ไม่แน่นอนมีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดามีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดไปติดมันก็จะทําให้เราทุกข์ แล้วแล้วมันก็ทาให้เราติดกับการเสพกามเราก็จะยังต้องกลับลงไปเกิดในกามมาพบอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นโทษของการเสพกามว่าเป็นเหตุที่ทําให้เรานี้จะต้องตกต่ําลงไปเวียนว่ายตายเกิดในกรรมมาพบเราก็หยุดมันได้ด้วยปัญญา<ม>เห็นว่ามันเป็นตายรักเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็สามารถหยุดกรรมตัญหาได้พอเราหยุดกรรมตัญหาได้แล้ว ใจเราก็จะมามาติดอยู่กับการเสพ ร, รูปประชานกับอารูปประชานเพราะว่าใจเราก็ยังต้องมีอะไรให้ความสุขเมื่อเราไม่สามารถได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแลเราก็มาหาความสุขจากรูปประชานและอารูปประชานเราก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันว่ารูปประชานและอารูปประชานก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาเข้าฌานใจก็มีความสุขเวลาออกจากฌานมา พอชาหายไปความสุขนั้นก็หายไปใจก็เกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเจอความทุกข์จากการไปเสพรูปฌานกับรูปฌานเราก็ต้องหยุดเสพมันด้วยการพิจารณาว่าเวลาที่เราอยากเข้าฌานนี้เราต้องพิจารณาว่าฌานมันเป็นความสุขชั่วคราวอย่าไปเสพมันดีกว่าอยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่า เพราะไมการไม่มีความอยากนี่แหะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรพอเราพิจารณาเห็นได้ด้วยปัญญาแล้วว่าความอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากในการอยากในรู ป, ปรชานหรืออยากในรู ป, ปรชานี้ล้วนจะทําให้ใจเราต้องทุกข์ต้องเศร้าถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเศร้าก็ให้หยุดการหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยการเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาพอเห็นชัดด้วยปัญญาแล้ว ก็จะหยุดความอยากทั้งสามได้กาม า, าตัณหาภาวะวตัณหาวิภาวะตัณหาพอตัณหาทั้งสามถูกหยุดไปถูกกําจัดไปให้หมดสิ้นไปจากใจใจก็ว่างเปล่าปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆพอไม่มีความโลภความอยากความทุกข์ก็หายไปหมดพอความทุกข์หายไปหมดก็เหลืออยู่แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าเป็นบาลมมาสุข นิบบานังปรลมังสุขขังก็ปรากฏขึ้นในตอนนั้นตอนที่เราสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเราแล้ ว, ลวนี่ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดเวลาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเรียกว่าเป็นความสุขอนันตการอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นบาลมังสุขเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนความสุขจากการเสดการมมีวันเสื่อม ความสุขที่เกิดจากเสพรูปประชานก็มีวันเสื่อมความสุขที่เสพจากการเสพอารูปประชานก็มีวันเสื่อมแต่ความสุขที่ได้จากการไม่มีความอยากมีไม่มีวันเสื่อมเป็นความสุขที่ถาวรยิ่งใหญ่นี่แหละคือความสุขของพระพุทธเจ้าและพระอานันตสาวกทั้งหลายที่ท่านเอามาฝากพวกเราให้พวกเราให้เราปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงจุดนี้กันซึ่งก็ไม่ใช่เป็นของยากเย็นถ้ามีพระพุทธพระธรรมเป็นผู้นําทาง ถ้าไม่มีพระพุทธธรรมมาปรากฏในเลกน่นี้พวกเราจะไม่มีทางรู้วิธีการเข้าถึงความสุขนี้ได้เลยดังนั้นพบนิชานี้จึงเป็นพบที่ประเสริฐอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่เราได้ร่างกายของมนุษย์และได้ธรรมะคำสอนเป็นผู้นำทางเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันนี้ให้ผ่านไปพยายามเรียกตักตวงโอกาสนี้ ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือเวลาการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทาละความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าเราทําทั้งสามประการนี้ได้แล้วการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเรานี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่เสียชาติเกิดถ้าเรายังไม่ได้ ยังไม่ได้สำเร็จนี้ก็ยังถือว่าการได้ร่างกายอันประเสริญนี้แต่เราไม่ได้เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็คล้ายๆกับเหมือนกับการเป็นการเสียชาติเกิดของพวกเราดังนั้นขอให้พวกเราพยานศึกษาพยานปฏิบัติตามคำสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะลิกวะหาปุระปัลิกปุลเณติสักหลังเอวเมวะอิโตทินังเตตันังอุปกะปติปิตฐังปัฏฐังตุมหังคิปเมวะสมิจชะตุสัพเพปุลเณตุสังกะปา จันททปนะรัสรยาธามะนิจติรัสรยาธาสัพพิติโยวิวัจจันโต สัพพะโรโควินัตสัตว์มัตต์ภวะตวันตารายุสุขิติขายุโกภวะภิวัตนสิริตสศนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธัมมาวะทันติอายุวันโสุขังภาลัะ